ซึ sí an and, the afterlife. The afterlife ่งแดดรับนมาเส้นตาโอกจะหมกเรื่องกายใจเป็นซึ่งที่แดดรเอนยืดหงายพิจารณาตัวงายโยงตัอเสนอเอาศึกษามาที่หลาลูได้เห็นได้เข้าใจได้ซึ่งที่ดีตัวที่ให้ตัวให้ตะตัวห้ไปนั่นคือความไม่ได้พิจารณาตาโอ้จะหมดเรื่องกายใจนี้ เ็เลยเฮ็ดไปามพาลมคือใบอบใจมันชอบยังไงก็เฮ็ดไปทาไปเมื่อเฮ็ดไปทำไปมันเลยเป็นคนทุกข์ เ, เดืยดเดือดนอนเกิดขึ้นให้แกของคู่ในรับให้เองเป็นคนับสสนุกเทษ่าไห่อาคนจินก็ได้ส น, น, น, นุก เปอนยามันติดคุกติตลาดโทษกำหนด่าขับไปออกมาหมดลุกทำซ้วงลุกมไดูมีพอแม่ทรมานใจนีมั่มีหลังใสน้องกร้หลิดขึ้นกระบอแท่เดยเฮินไปคอยจ้มีคนจงองจ้างหน้าแล้วก็ยทยาบขวานสนอกผิดใปเมื่อเห็นเรื่อบแบนี้คิดเขาก็พยายามสร้างตัวเขาบรรลูลูกทำด เป็นสุขพ่อเมื่อสมายใจเมื่อข้ามืสวรรค์ให้พอให้เม่อเขาว่าได้เล้งเหวินไปมีผู้ถามข้าวหนะ้าหรือมีผู้ถามว่าลูกจะไปไหนข้านั้นหนังเมอแม่สมายใจสมมติเอาม า, มามนเหมือนเขาเองถ้าหากสอบลายได้สมมติว่าเรือนต่อหนึงต่อสองหรือเทขาได้ต่างหมดสอบลายได้เขาสบายใจถ้าสบายใจแล้วพอไม่เาก็สบายใจ เราเก็บไล่บอได้เนี่ยมีใจว่เขาบดิใจแล้วมันมัไม่ดีใจพอแมขต่คนบรใจมันมาทําคร่ง่เคื่องิดเคื่อยนต์หายไม่จัดมันเลยเบ่งบิ่นแบบดำกรต่างหูสมุดลืนขายใส่เนี่ยเขาจะเบ่งขาจะเบ่งไตขาลืมมัน่ะเบ่งตัวเฮานี่เป็นยังไงโยงที่เขาจะเบ่มันรม่แสดงนะผพุกมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นตัวร้อมันอุเดือดร้อน มาให้คนเห่าลอยเราจะเอา็นทุกเรืงกบ้นนี้ตัดแล้วหยุดยืให้ัให้เมอหนให้อายหอนอนเขาแล้วให้มืาหน้าอาเขื่อนบ้านเขาเนยเป็นทุบกตังาตัดถ้าหาคนมีตําหาตาดีหูมีตาดีมาฟงบเบิ้นคนดเิ้นคนเื่อคไงคนที่เชื่อคนที่หดงอยากไปให้ยางเขาดีฟังเบ้นคนไม่พูดดีนีไม่มีจะพูดที่ซื้อไม่ทาดีด้วย แ ต, แต่เป็นเ leave, du, ่นทั้งจักรสมคนหูดีตาดูใระติปัญญาสังมาเพือเกเ่วของเราคนเป็นจักรเปลียนทุกได้นะนหูนขึ้ังจักรด้างเสียงเพลนฟังเสียงหัล้ัเสียอะไรนะมันไม่ใช่หูดูจัมันว็าหูดูฟังคำว่โลกฟังสอนของพ่อของแม่หรืฟังคาสอนของทวดาจารหรือที่สุฟังคาสอของผักบุายาได้ มันเป็นเรื่องดีจริงคันตาดีนั่งฟังคำสอการสามโน้ตฟังคาสอสของทวดนะฟังคาส่งของพระฤาษนี่เป็นคนดีคนตาดีแบบนี้คําตาดีแบยทหงสมัยนี้วต่ตาดีวันมาเบ่งซีนะฮะคือว่าคนนั้นสวยคนนี้ดีคนมี้จนมันไปตาดีกันมนเพื่อมันเลี้ตาดียุคนไหนลึกขา้นน้ำเหรอค็นั้นหาน้าหาตาดีแบบหารถหาชื่อสวยงามดิ เพื่อาคิดนั้นเสวยหนไปตาดูเยอะขึ้นันังเรื่ตาดูเบื้องในครับพี่คนตาดูมันต้องเบื้องใครับพี่คือใจกำลังคิดอนไรอยู่นี่นีมันกำลังถ้ากำลังสังที่ไดนยุ่งพอใจยังไงก็พอใจยังไดหนังตาดูมันก็แบบนีครับพี่นั่นคคนตาดูเบื้คอนเ้งเมยบื้องายบืงนอครับพี่เบื้งตหาอยู่นี่คนตาดูดังนั้นตาดูมันก็มีหลายแบบหลายอย่างคำันมีเจ้าตัวซือ การประพฤติปฏิบัติการกระทนั้นเป็นอีทิฤทธิ์นันเป็นกระดาษใส่ตาเป็นเห น, น, น, เห น, น, นางนี้อเห็นา้เ็นเน้คือเปสติเปกปัญญามองเะกกจะทะกุเาตส่คนเมื่อเราไปเห็นคนนั้นคนนี้รากเปลือกหใจปกหใจของบเบิกที่ตาดีใจมักนกำลังคิดทำไ้เยอะรู้เข้าใจดังั้นหมาที่นี่ธมทุก อรือาใ่เครื Michelle, ma, norte, ่อเป็นเครื <Senhor> ่องซดเจงไปเพเฮ็ดเพิ่มด้วยเฮ็ด้วยเ็ดมือนไา้คนคนนอาใส่เป็นหลายคนเขายกขี้เกียจเปนเดนอ่านดูมันแตกประเด็นศรัทธายกเนขี้เกีี้านันที่ไม่ศรัทธาเนขีเกียจีค้านนี่เหือน่ลูกอไร้ไจะตกเคนที่ศรัทธาเป็นขยันมันมี่กอาจจเป็นทุกข์ก็่กได้ใไมันนี่โมันเอื่อต้อ่คุย อ้ามีไปปฏิบัติธรรมอนั้นผู้ยึดสามคนโยมห้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะยึดโยมกันเพราะมันได้นพุทธกตกรรมจเยึดโยมกันยังไงคนยึดมากแม่ให้ยึอไปลกคืนเพราะเป็นพุทธยึดคือนี่ให้ทะเยอทะยานกันชอบใจกันให้ว่ามีข้าวหนึ่งอ้อนมีกระแดงเครื่องกินหรืีน้อยก็ให้ก ทำไมเขาต้อมา แล้วคนเราเต็นซื้อแล้วไม่คนเห็นเราเต็มอันคนเ่าเต็มกับคนที่ดูนั่มันทิศกันคนเราเต็มซื้อนี่มันเป็นแบบมันกว่าอันนั้นมป็นาคนเอื้อโดยอันวาซื้อดูดูในตัวว่าเป็นงไงทไมตงไดููในตัวเพาะควาย่งผิดอยู่ข้งนอย่างที่ผิดอยู่ในขนาดเอื้อโดนไม่ปกินไรถ้ามันผิดอยู่ไหนนี่ะบางคนรุ่มมาพัฒนาเรือนกัไเรื่องกที่ยงการคืน ก็าดูการเร่นเป็นอย่างเป็นอย่างห้ามอะตรวดยด้านผมเองนะบางทีพระอัสครับผมไม่ไปเห็นหน้หาแบ้อย่างไรไม่ไปเห็นอะไรเลยถ้าไม่สอมุด่ อ, อ, อ, อดดด ม, อ ม, รรออ ม, อมุดอย่าไปเหตุงาร่นจะเปเตื่อเองมาบุกไปจับดูมาขึ้นถ้าหำถามจิ้มเจ้ยแล้วเดี๋ยวต้อเห็นเตื่อมาต้องมีจักเตื่อศึกโดยเรทุกี่สุดหนึงกองจะครบบางทีบางนนี้เหมืนาเาห็นนะมนสังเกต ต้องอมังอตะป่นนี่นไปเลยคันันเงเอานั่นันแล้วก็ดปศียร่ือทั้งคัมันก็เป็นกิเลสจากกันมันก็เป็นวิญญาตอันนั้นแบงละกิเลสมปนแยงยุติสะมันเ็หวงเห็นเปหวัเห็นแล้วที่ไปสอนที่อึ้งมาให้นะกิเลสไปัไหนกิเลสมันก็เป็นตนว่เป็นโตว่คือมื่คือมาก็คือตัเป็นตัวมันมล่นมาจากกกิเลสมันมันยึ่ในจิตใจมันมันยึ่จิตใจเนะ ด้วยจิตมันก็ด้คที่้จจเดีอาจจด้วยกัน่งองมันมาเนข้าว ม, มันคิดมันคิดในเรืของเห็นในเรื่องของเข้าใจมันอะไรที่ตัวคนคิดตอนนี้หัวไม่ได้สึกหันไมหัวออกไปสึสั่งตน เขาทำมาให้แค่มันไม่ได้เห็นด้วยแบนี้มันไม่คิดคุณไปเลยมันเขาอาญาให้สู้เขาอาาให้เก็บเล่ยกับกรทนั้นมันก็เหไปเลยเพามันไม่ได้มีคิดเห็งใจเมื่อมีคิดเห็นใจมันยึเสมอสี่มันออกไปอนอกกิอนนั้นมันยังเห็นน้อยููที่ไม่เห็นก็ไม่เข้าใจถ้าดูไม่เห็นแล้วมันยังเห็ุไปบานทีเป็นท่าเป็นเลยอยู่เนี่มันงเล็กเนี่ยต่ด้ายมันมารยนเป็นอื้อมดูเปิดซู เดจตาว่าแพร่สาเขาอื่นเมีดาบโดน้มไปเลยเป็นไงกลางโดนกลางเปนไแฝงคนอื่นเป็นไงเป็นไงเดจตาว่าแพรแสารเขาอื่นเลยมือดาบโดนถมไปเลยฝึกตนเองฝึกลมตนเองบ้างนะแฝงคนอื่นได้เราต้องทาได้ก่อนจ้าด้วเมื่อแฝงคนอื่นได้เราต้องทาได้ก่อนมันเนี้แล้วเะทํอได้จะไปแฝงตนองมันคิดมันว่เป็นเอื้อ้คนเล่นดูในตัว ในเสื้เล็บอยู่ีขึ้นมาในนให้ปุกเตียของท่านดูช่วานี้ไม่วาชีวง้อ่ใดเนี่ยันสังเครื่อเมื่อุกเตียเฮาดูแล้คนอื่นจะสบายรให้ขเียฮาี่มันหลอกตียงเองู่นี้มันลอกอยู่ทุกเ้าทุกเนทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีมันหลอกู่งเรายาามพุกดูเตัวงเขานำเห็นธรรมะจะไปเห็นอกตัวเฮา งนเ็นคนก็จะเปลี่อกตัวไงานเห็นคนดีก็จะปลียอกตัวให้เห็นตัวเขาให้เห็นจิตเห็นใจนล้เห็นใจิตหนใจนั้นก็ว่าซื้อบางคนเพราะว่ามันเล่ากันมานานมาด้วยก็ว่าจะได้ยินมานในตำลับตำามว่าถ้าไป้ตัดไเพราะการทาทางจิตทางใจมันก็ได้ห็นว่าทำอยู่หรือเขาได้ยการพยายามสึกแล้วมัต้องฝึกใฝึกกิเลสต่างวาเวลาที่ฝึกมา ไมากระไรจุ้วม right ีม้ามหาเจตีมาหรือมหากะตั้เป็นมาาที่แขงดีขาดีวิงดีแบบนี้มีเป็นปีติเดงมาเนี่ยคป็น่าขาขาั้นขายาวเป็นยาขาสั้นขาสูงหรืว่าขาขักลึกขาเป็นอะไาได้ในว่างไงคนขาสั้นขายาวย่างตอก้ามากเลย ก็อบอกว่าพ่อนี่ก็คือกันสอนรูกอะต้องเป็นคนดูที่สอลูกได้ถ้าพ่อแม่เป็นคนดูดูแลไปสอนของมันก็ไม่ดีครูังอาจารย์ก็คือกันถ้าครูบาอาจารย์เป็นคนที่ดูแ้สอนลูกคิดปัญหากันไม่ดีด้วยเมือาคาสัยเยอะกันหลายคนเห็นตะวันตึงแยบแางรอบรอบเปลือกหอกคำนี้รอบรับเปลือกหอกดีแล้มันคือเป็นหุ่นใส เป็นนึกใส่ก็เป็นสัมบานเป็นอาอาศัยการได้อยู่ฟังนึกการเห็นมันไม่หายต้องพยายามตัวจสอบมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญใ ห, ใหจาจัคุณค่าชีวขอ ง, ขอ ง, ของจริงการ ม, มาเดเป็นคนได้ยากไม่เห็นว่นมาเกิดเป็นคนเน ะ, ม, นะา ม, นมาเกิอดอางง ม, ามาเกาได้ยางไงมไม่แ ม, ม่มมือต้องจะมีโลกมีใจาีคนพ่อของเม่ตั้งท้อขึ้นมา ไสงเมืองสาเดือนแท้งไปเลยบานได้เกิดเป็นคนาวแล้วคนได้กิเป็นคนตาแล้วเสียชาแล้วคนเป็นงไงบาคนแเิดออกมาแล้วรจากทานแง่ออกมาสองครั้งแล้ไปมอ่อแ่มตาไปก่นนี้ให้จากนั้นบางคนเกิดมาไม่ปีนึ่งสองปีหรือปีห้าปีตายไปเลยม่เป็น้จากเมี้ชีวิตนี้คืองไหเให้จาก บางคนเป็นนุ่นเป็นสาว้เด็กคนี้บางคนเป็นพ่อบ้านเมือเรือนตายเด็กคนนี้บางคนทายาอายุเจ็ดสิบแปดสิบตายเด็กคนี้ชีวิตนั้มนมันมีาา่า ม, มาีรัคุณผมจะมีราคาจังไรเป็นมาเป็นเพื่อนมาหลายวังทันตูถ้าหักด้เห็นชีวิตตัวเองนัน ช, าาชีวิตตงมีราคาชีวิตเป็นเมืนกันเบืยอมานานๆก็คือกันแล้รอดชัตาก็ตามตาถ้าหากด้เห็นชีวิตตัวเองแล้วการเบนนื่อแก่ทั้งห เนเครืมาไม่เดียวแล้วมันเห็นชีวิตตัวเองเหมือนมันคิดรู้ใช้รูทรู้จักเะมันได like ้ือเพื่อมีประโยชน์เพื่อหุดคนจะเพื่หนึงัรุ่นนดเรื่องเกิมันไม่เดียวไหมแล้วามาคิดมันมเป็นเคื่องม่เดีมันมันเห็นได้หมือชีวิตไหมมันได้เหมันมันคือรู้จักือเ็คิดคือมันคิดไปได้ดมมันคือรู้จักไื เรืองอุจจาระปาวะมันก็ไปเ่ดี๋ยวอะไรเรื่องเลืม า, าม่เบอก็คือเรมานี่แหละมาเรคุมาแต่ในวันังแต่เขามันอดเคยได้ยินเ่เคยทำคนรู้สึกตัวตอนนี้หงมาโยนนี่เนให้รด้สึกตัวเคลื่อนไหวทงรูกายถ่ายมอง็นให้ไ ด, ด้สึกจิตใจมันเลือกมันคิดให้้ ส, กกสึกผลิตตลกทําเนเร่องดก็จะการเคลื่อนไหวรูกายในสาน ก็ไปจิตใจไม่คิดมันก็รู้คนร้จิตใจไม่คิดเปาดูเพื่อมีประโยชน์่อดูรู้นั่นเป็นวรน่ดูเลือดมาดูดีว่าตอนนี้ดูมนไม่เดียวมันคอไงไม่อายุเก้าปีสิบปียี่สิปจะมาเลือดทีมือาบแบดูไว้ดูเพื่อที่จะมันล้อยผ่าเป็นวันั้นทํามานี้ก็ต้องพยายามจิตในให้มากต่อมาเป็นมุ่นเป็นสาวเป็นสายเน่าเข้าเลยว่าเคยดูตัวเองมบางคน มันควรเดือดแล้วมันควรวุ่นวายเหมือนไส้คอบครัวได้ลูกใส้หลานได้เศียรไส้เดียวกันติใตส้ตีาัเอยู่เสมอเป็นนรกนัะนรกมันยังใครจะไปสก้างหานรกใต้ดินกันมามันมองเห็นเขาเจาะแมาบานดาลเจาะม่นั่นเลยนี่ยโบเคยไปเจาะเอาด้านโบเคยไปแทงเอาแม่นรกใต้ดินที่มาเถัวตอนนี้โลกสวรรค์ที่ลงมาขึ้นมาเนี่ยเครืบินกันเลือกข้าเจียวกันวุ่นวุ่นไูบ เม่เป็นคนบ้านเถรบดาตกลงมาจากเพื่นเพ่อนคนทำดูให้ดีมันลดกระม่อมส่คนร้อนอบร้อนใจทำชั่วคิดชั่วคิดดราม่าไม่หลับยิมบื่อแสกคิด้วยคนเนี่ยมันล็มามันลบใมันลบนันที่มันร้านมากที่สุดคุณว่าอย่างนี้มันลดใส่มันลดนี้มาโมันลดนี้เลือดดานเอาขีเห็นไปทิ้นใจเงินไปกเปล เาไม่ไปทิ้งจกกักรเปล่มือนะบัดคนไปตกมัไม่เหนปหเปเปยังไงแต่ว่าต่เสว้นกรกสวยันนักกับสมัเพืเป็นคนนันนั้นเป็ น, นคาเป็นที่ไปทำปัญญาคนที่มีปัญาปญาอะไรสั่งดูด เ, เต้ใส่นรกมีบัดไมันคิดใจด้ดูดูเดนี่เขาจะพูดจับในขณะที่เราทาดีพูดดีเขยังไม่ขาวม่ดำนลยนี่หละความรู้สึกจะมันอยู่มาดีพูดบุ๊คดบุ๊คให้ฐานรากจิตกระซานที่มันกอู่ นี่กระดบ้านนี้มตขึ้นมาโตมัดเป็นเรื่องเป่ามัดเนื้อไปเป็นมัดทั้งไปแลมันเรินมัดนั่งไปมันเริ่มเปมัดเตี้ยเป็นเท่าเป็นอมัดไลซอกหามันไม่ซอกของคนเดียวหน่อยมันมีบอสเดินไปเป็นแสนต่างสีคนเอ้มาป่าดังนี้ไล่ซ่างเสรตะเรื่งตะลามือมันขาดมือขาดหน้ามือขาดเรามาจนมันขนทุ่นทีให้จัดเป็นั้นแต่เปแสนต่างสีทั้งทำงานเขาเย้ะได้ก่อนเป็ั้ง มนนคนมีตัณหาเป็นตาเวลาคนมือกับจังเสียงลึกเสียงตื้นได้เสียงใกล้เสียงไกลได้มนคนมีตัณหาคนไม่มีตัณหานั้นเบิามากที่จะรู้ได้ตหาจังคเป็นตาและมีเนตาลแบบพร้อมีแล้วที่จะรู้ได้จะเห็นได้เพราะจิตใจของคนนั้นมันมีคนสะอาดมีคนสว่างมีคนสงบมีแต่เป็นอุเบกขา อรา้เคมาะนะาบางเสรยปจิตบางเยนี่แบบ ม, มันเป็นมัรหยุดตดเวลามีเมื่อทุกคนทาการทางานโดยไ่มีซุกทำงานโดยไม่เจ้าทุกเป็นลเหนือทุกข์นเหนือทุกไม่เพะเหนือโลกมันทุกม์แเปนอุณโลกโลกคือความทุกข์ความวุ่นวายเป็ไรแต่ไม่ว่าจโลกแล้วหนีจากโลกไปันนั้นมันเป็นที่สอนแบบนี้แสแบบเป็นเมตตาเนี่แบบเปนเมตตามืาม่อยู่ในโลก แต่หนักได้ปกิทกโลกทีโรกเรียงซนำเป็นยังไงที่ที่เป็นอารยบุคคลหรืัตวจทํางานได้มาทางานไม่ทิพเทิพมุ่งั่นิพสูทิพยสูแต่ก็เห็นไทยแต่หไม่แต่ทิพสูแต่ผูเห็นเทเ็นไทยห้ยังเห็นควาคทิดยม่ดีมันคิพย์ุบขึ้นมามันเม่อดีเห็นเอาสมณะมันได้แล้วเมื่อเสียไปสอนผู้อื่นแล้วเป็นทิดสู แค่มากเอกยามาเป็นกิเลสอู้หันนั้นจะขวางัวคือที่ตายนี่แหละมันเอาเอื้อนอนเ่าวาให้ฟังมีสองคนสำคัญรักษาสิมคนหนึ่งทนนั่งรักษาสิมบอริสุดเบอร์รี่นรักษาสิมเบอร์รี่สุ์สินบ้างสินพอยันหนึ่งรักษาสิมเบอริรสุดมันตายไปแล้วแต่เสื้องินสลังเป็นเทวดาคนหนึ่นรักษาสิมเบอร์รี่สุ์สินบ้างเขาตายไปแล้วเป็นหนาะ จะไเชื่อมับไม่เชือมนอานุ่เชื่อมไทยอุารนีนกับฟอกหากันแล้วมันพเป็นเวลากระซอกหาเสียกูนุ่มพุธกระฟอบหาเสียกูนั้นมันก็โยนกันบ้าหมุนเตีงหมุนมันสลักับเตี้ยงทอดเื่กับเตี้ยงฟอกหาด้วยเนีคือพเป็นเวลาเนี่มีเวลาที่ได e e ้เชื่มหนคือพุเป็นหนอมันมันไงหนอนเช่มกับนื้อพุธเป็นเวลาก็เลยต้ืมหนอนไปเห็นเพื่เตยเพื่อมัเป็นหน่อหนอน เด็กไปหาเพื่อนมาโทษเพื่อนน้อนื้อักษาะชิมงการใสใส่มอใส่ชิมงกัรนี่นี่แต่จป็นคนเนื้เสี้ยนเนื้อเพื่อนลงมาหาเพื่อนมาชมให้รู้ว่ามันเพื่อนี่กับเราพื่อจับงจันทร์เสี่ยงทาได้เพื่อนจะเจ้ามาคุณเออหายมาจากเสวรรค์เลยเมืองสวรรค์เป็นแเสื้สบายด้วเพอสบายเปนเสี้ยนไปชิมงกคุณคนเราคุณห้ามอเมืองสวรรค์ให้สังกันหน้าเสี้ยนกัน ดูนี่เป็นยัเไงเชื่อเหุ่ผไม่ดเรงสบายเลยเออสบายวะอันนี้เชื่อีลมสิดนไ่้าสบายสินีมันส่อง่อกส่องในย่างไม่ตด้ส่องดีสิหลังดูเสียี้อเมริกันจะได้องีทังนนเร่องประจไม่เป็นยังไงสเออมัส่องขอทิพอยากได้เชื่อได้ชาติชุกื้อเงางามกันมุกอัวนได้เลอยากได้หลังเข้าอยากได้อันใดเงามอยากได้บ้านได้ยงินเงางมกันม er ุกอัศได้เลยสิมึกเัศวนได้เล ดูน้เป็นไงเชี่ยเลนี้ทำอะไรมาเออหนังสยาไม่ทุกอย่างเนี่อันนี้แหละคนเต้อคนเต้าจะก่อนเต้าอยู่ในสายเอ็มมา่ะเลือนเนี่ยมันไม่ได้ทานนะพอมาเราให้สั่งเนี่ยแ่าเรื่อนนี้ก็ต้องออกมาเ่าทู่กันสั่งแบบนี้เสือนผู้เป็นหมอเงินโบไปเลยค่ะอนังสยามมีเชื่ยไปกินเลื่อยๆอย่างั้นถามมันไมีได้เชี่ลนังสยามมันเป็นของเท็กเชี่ยเลย อาะมีเครื่องกกินกก็ได้ไปามือแล้วเพราะกูนเสรื่องเหนื่อยดิบยังก่หนื่ออันนี้เหละดูจะจากญาแรมสอนเขาอื่นมอดาบดนเหลือรัดนับไม่ไรอบรมเป็นเออนจึกเป็นเอ็บ้างหนึ่งสอนคนอื่นได้เราต้องทำได้ก่นเป็นการสอนคนอื่นกันวันแบบนี้มีทางมาหาง่วงคอเราเลือกสั่งไปไม้ถ้าพิถพิกันก็จำมันเลถ้าดูนะจำมาดูมันก็ต้องร เปิดมือไปนลยนเปิดมือ มันเก็บหางไม่เหมือนกันโดดต่อาจารยนเพื่อเปกลาบ้านไม่ไปส่วนนู้นเลยหหางมู่นแล้วมันไปหามต้าห่างาวมาตัวห่างขาไม่ไปส่วนนี้หางาวไม่ไปูมันเพื่อแต่ให้มานี่มันจะมาก่้าหาก้คือยังห่างหลาย้วยกระไไปใส่มาใส่ไปลามากกแต่บ้านนี่ยพอเกิดตัดหางมาหลายคนตัดเป็นจําเป้คนนู้ตแนี้โตของม่คนไม่มีตาแลมนะ เขาคนไม่เทอะทะังไรเข้าไปประำนักเขาบ้ลเขาเป็นหน้าบ้ตาจะเป็นมีอู้ตานี่ยูนก็แบดนี้เข้าไปฟังเขาย่้ธรรมะมันเด็ู้จะมันมีหูฟังฟๆเข้าไปประจำคนตาดูคนมองเบิ้าที่เป็นคอไตเป็นคอเลือกเข้ามาทางขาต่อขาตาเปนออกเป็นผ้เดนไอ้คุนอาจารย์เท่ห์มากดแต่มันเ่าธรรมะาวๆอยู่เอ้ามันคนไมเทะมาดอยังเสียคนปลาดเป็นมหูมนีับเบิ้ลผู่ คนไม่อาจะมาไปดูมันสำนักหากมือศมเามือศกมืี่สิบมก็มียี่สิแปดมือดูสำนัมือสนักแต่เราต้องมาพูดนสัเกตการคนในตาด้วยว่ตาเขนไม่กะมีด้วยมองเบ่งสังเกตละดีเส้อสุดมันเป็นอันนื้นแต่หัวบกป่างไรอเข้าไปแล้วโอ้คนเราดีเนี่ยมันไม่ได้ีตามองเบ่งไปตลอดเันพ็สนพระรากีฤกษ์ฤกษ์คือย่าี้กษ์เป็นสวยาก เรื่องสิ่ตเราตัวเองอันนี้กะบแสดงมานห่างตื้นห่างด้วนก็นไม่มาตื้นไม่มานี้มันมีปัญญาเนี่มันห่างตื้นนี่คือข้อตัวนี้แยกไปตัดดิตัดหางมันห่างดมาหางเดืมมันมามันหางมันเดินห่างยาวเนี่ยมันดีถ้าหักหึ้มมากลับเอาหางตัดก็ได้มันไม่มีหางไม่ต้องเอามันไปตัดอะไรแสดมาหีมาตัวน้อยหีมาตัวน้อยเด็กมันไม่เหมันที่เอาไปตัดคนหนึ่งก็บตัดัีกหนึ่งมันก็เอาหางใต้หางมันไล่หุ้นได้หนึงกัได้อน เดือหางเดินเนี่ยมาที่ไร่หิไล่ยิงได้ดอกแต่เนียมันไม่ให้จักรมีทางเลยี่อ่ะมันเป็นธรรมะถ้าหากจังเต็ว่าแบบเนี้มาเรือยนั่นเลยเสื้อพ่อจูเหมือนเออดีมาหางเดินมาไล่หิ้วไล่ยิงกันได้แล้วจะไปปักที่นอนกันได้แต่เนี้มาหางเดินมาไล่หิ้วไล่ยิงมาได้แล้วยิงขับเหวไปยืนยิงคืนยันคือกีเลัจะมากินเหวไปยืนกีเลสมองที่ศีรษะเป็นมางั้นก็เห็นดูอันนี้บอกเป็นอภาพเปลือกหัวเห็นเวย ดูเห็นวักเป็นนยองยุ่งเหยิงไปเรือ่าเห็นคนก็้าขอได้เห็นนักเป็นัยองยุ่งเหยเพราะคนขี้นั่งดังไรเป็นครบสดงว่าคนมีปัญหานั่นนองเห็ได้ทังทีเข้าไปเห็นเลย